ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุวญาณสัมปันโนเสนอตอนที่ส1อตีปัญหาธรรมแต่วิมุตติญาณทัศนะและรื้อถอนพกชาติห้าทุ่มแบรนส4สี่ข้ามเดือน6ปีพุทธศักราช2 4 9พรา หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้ให้อาวาาธำมเอาไว้ว่ากำหนดธรรมบทใดก็ให้เป็นธรรมบทนั้นให้มีความจริงจังต่องานของตนสุขัดนิสัยให้จริงจังอย่าเหลาะแหลกคนไม่มีหลักใจยอมหาหลักธรรมไม่ได้เหลาะแหละกับเลวไหลมันเป็นอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้มีประจำหัวใจของโลกผู้ครองธรรมควรจะแก้ไข เพื่อความมีหลักมีเกณฑ์มีสัตว์มีจริงต่อตัวเองเราฝึกไม่ได้เราจะไปฝึกใครใครดีจะยิ่งกว่าเราดีพระพุทธเจ้าเลิศก่อนจึงสั่งสอนโลกสาวกทั้งหลายเลิศก่อนถึงสอนโลกสอนได้ง่ายสอนได้สะดวกสบายสอนไม่อัดไม่อัน้นเพราะรู้แล้วค่อยสอนไม่ใช่สอนแบบด้นเดารู้แบบด้นเดารู้จริงเห็นจริงสอนจริงทุกสิ่งทุกอย่าง นี่ก็ตั้งใจสอนตนทำไมจะสอนไม่ได้อุบายวิธีการต่างๆครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนไม่มีปิดบังลี้ลับไม่มีที่น่าสงสัยนอกจากการปฏิบัติของตัวเองมันไม่เอาไหนเท่านั้นถึงไม่ได้เรื่องนั่งภาวนากี่ปีกี่เดือนมาแล้วผลปรากฏอย่างไรไม่สะดุกใจบ้างหรอ หลวงตามหาบุญยนสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าทีนี้ถึงเวลามันจะรู้มันจะทราบก็พิจารณาจิตอันเดียวไม่ได้กว้างขวางอะไรเพราะสิ่งต่างๆก็เป็นส่วนหยาบมันรู้หมดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุมันรู้หมดเข้าใจหมดแล้ปล่อยวางหมดแล้วมันไม่สนใจพิจารณาแม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ยังไม่ยอมสนใจพิจารณาเลยมันสนใจอยู่เฉพาะความรู้ที่เด่นดวงกับเวทนาส่วนละเอียดภายในจิตเท่านั้นสติปัญญาสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับอันนี้พิจารณาไปพิจารณามาแต่ก็เพิงทราบว่าจุดที่ว่านี้มันยังเป็นสมมุติมันจะส่งาพาเผยขนาดไหนก็ส่งาพาเผยอยู่ในวงสมมุติจะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในวงสมมติเพราะอาวิชชา ยังมีอยู่ในนั้นอาวิชานัแแ้นแหลคือตัวสมมุติจุดแห่งความเด่นดวงนั้นก็แสดงอาการลุ่มๆ ด, ดอนๆตามขั้นแห่งความเพียรละเอียดของจิตให้เราเห็นจนได้บางทีก็มีลักษณะเศร้าหมองบ้างท่องใสบ้างทุกบ้างสุขบ้างตามขั้นละเอียดของภูมิจิตนี้ให้ปรากฏพอจับพิรุธได้อยู่นั้นแหลสติปัญญาขั้นนี้เป็นองครักษ รักษ า, ษาจิตดวงนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแทนที่มันจะจ่อกระบอกปืนคือสติปัญญาเข้ามาที่นี่มันไม่จอ่อมันส่งไปที่อวิชชาหลอกไปทางโน้นจึงบอกว่าอาวิชชานี้แหลมคมมากไม่มีอะไรแหลมคมมากยิ่งกว่าอาวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายความโลภมันก็ห ย, ยาบหยาบพอเข้าใจและเห็นโทษได้ง่ายโลกก็ยังพอใจกับความโลภคิดดูสิความโกรธก็ห ย, ยาบหยาบ โลกยังพอใจกับความโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรเป็นของหยาบๆพอเข้าใจและเห็นโทษได้ง่ายโลกยังพอใจกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเลยมาหมดแล้วปล่อยมาได้หมดแล้วแต่ทำไมมันยังมาติดความสว่างไสวความอัศจรรย์อันนี้เมื่อมันมีอยู่ในนี้มันจะแสดงความอับเฉาขึ้นมานิดนิด แสดงความทุกข์ขึ้นมานิดๆซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวาให้จับได้ด้วยสติปัญญาที่จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาไม่ลดละความพยายามอยากรู้อยากเห็นความเป็นต่างๆของจิต ด, ดวงนี้สุดท้ายก็หนีไม่พ้นต้องรู้จนได้ว่าจิต ด, ดวงนี้ไม่เป็นที่แน่ใจตายใจได้จึงเกิดความรำพึงขึ้นมาว่าจิต ด, ดวงเดียวนี้ทาไม ยิงเป็นไปนได้หลายอย่างนักนะเดี๋ยวเป็นความเศร้าหมองเดี๋ยวเป็นความผ่องใสเดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์ไม่คงที่ดีงามอยู่ได้ตลอดไปทำไมจิตละเอียดถึงขนาดนี้แล้วยังแสดงอาการต่างๆอยู่ได้พอสติปัญญาเริ่มหันเข้ามาสนใจพิจารณาจิตดวงนี้ความรู้ชนิดหนึ่งที่ไม่คาไม่ฝันก็ขุดขึ้นมาภายในใจว่าความเศร้าหมองก็ดี ความผ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีหล่านี้เป็นสมมุติทั้งสิ้นและเป็นอนัตตาทั้งนวนรล้งตามหาบัวยาณสัมปันโนได้เล่าชี้ว่าประวัติของท่านตอนที่จิตเข้าสู่วิมุตติยาณทัศสนะเอาไว้ว่าคือเวลาจิต มันเข้าวงไหนนี้แล้วเข้าพิจารณากันแล้วธรรมก็สอนขึ้นภายในใจอย่างนั้นบอกเป็นเนืเ่นๆสอนขึ้นมาในนี้เป็นเองนะคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคาว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีธรรมเหล่านี้เป็นอนัตตานะลักษณะเป็นเหมือนกับว่าสองเงื่อนอตตากับอนัตตาเป็นลักษณะสองเงื่อนธรรมเหล่านี้เป็นสมมติเป็นอนัตตาจากนั้น มันม้วนไปเลยเป็นลักษณะอย่างนั้นนะถ้าเป็นมะพร้าวก็สองหน่อมันคว่ำไปเลยเป็นลักษณะอย่างนั้นเมื่อสติปัญญาอย่างทราบจิตที่ถูกอวิชชาคร่อมนําอยู่นั้นว่าเป็นสมมุติที่ควรปล่อยวางโดยทายเดียวไม่ควรยึดถือเอาไว้หลังจากความรู้ที่ผุดขึ้นมาบอกเตือนสติปัญญาผู้ทําหน้าที่ตรวจตราอยู่ขณะนั้นผ่านไปครู่เดียวกิตและสติปัญญาเป็นราวกับว่าต่างวางเป็นตัวอุเบกขามัธยัต ไม่กระเพื่อมตัวในหน้าที่ใดๆในขณะนั้นจิตเป็นกลางๆไม่จดจ่อกับอะไรไม่เผลอสนใจไปไหนปัญญาก็ทำงานสติก็รู้อยู่ตามธรรมดาของตนไม่จดจ่อกับสิ่งใดขณะจิตสติปัญญาทั้งสเป็นอุเบกขามัธยัตนั้นแหลเป็นขณะที่โลกธาตุภายในจิตอันมีอวิชชาเป็นผู้เรืองอำนาจได้กระเทือนและขาดสบันบ้นบรรลัย ลงจากบัลลังค์คือหัวใจกลายเป็นวิสุท ธ, ธิกิตขึ้นมาแทนที่ในขณะเดียวกันกับอวิชชาคารส บ, บันหันแหลกแต่กระจายหายซากลงไปด้วยอำนาจสติปัญญาที่เกรียงไกรขณะที่ฟ้าดินถล่มโลกธาตุวันไหวแสดงวาศจรรทร์ขั้นสุดท้ายปลายแดนระหว่างสมมุติกับวิมุตตัดสินความบนสารสถิตยุติธรรมโดยวิมุตติญาณทัศนะเป็นผู้ตัดสินคู่ความ โดยฝ่ายมัชชีมาปฏิปทามัคคะอริยสั์เป็นฝ่ายชนะโดยสิ้นเชิงฝ่ายสมุทัยอริยสั์เป็นฝ่ายแพ้นอกแบบหามลงเปลยไม่มีทางฟื้นตัวตลอดอนันตกาลซึ่งสุดลงแล้วเจ้าตัวเกิดความอัศจรรย์ล้นโลกอุทานออกมาในขณะนั้นว่าโอ้โหโอ้โห อ, อ, อัศจรจรย์จริงหนออัศจรจรย์จริงหนอแต่กนทาเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน มาบัดนี้ทำแท้ธรรมะอัศจรรย์เกินคาดเกินโลกมาเป็นอยู่ที่กิจและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิตได้อย่างไรและแต่ก่อนพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านอยู่ที่ไหนมาบัดนี้องค์สาระที่แสนอัศจรรย์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิต ด, ดวงนี้ได้อย่างไรโอ้โหทำแท้พุทธแท้สังฆแท้เป็นอย่างนี้หรือ ไม่อยู่กับความคาดหมายดานเดาใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นความจริงล้วนๆอยู่กับความจริงล้วนๆอย่างเดียวลุงตามหาบัวยนสัมปันโนได้เล่าชี้ว่าประวัติของท่านถึงตอนนี้ท่านได้รื้อถอนพบชาติเวลาห้าทุ่มแรงสิบสี่ค่ำเดือน6ปีสกราดสองพัน 493อเอาไว้ว่านี่พูดอย่างถึงใจที่เราทำอย่างถึงใจเอาเป็นเอาตายเข้าว่าในขณะที่บำเพ็ญอยู่นั้นไม่เคยคิดว่าตนจะได้มาเป็นครูอาจารย์สอนหมู่เพื่อนไม่ว่าคารวาดและพระเนรดังที่เป็นมานี้เลยเพราะนิสัยของเราเป็นคนมีนิสัยวาสนาน้อยมีความสนใจไฟต่อการประพฤติปฏิบัติหรือฝึกผลทรมานตนทายเดียวเท่านั้นไม่เคยสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใด ในขณะที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้เทศสอนใครในเวลาปฏิบัติอยู่มีแต่ชุนลมุนวุ่นวายหรือเข้าตะลุมบอลกับกิเลสไม่สนใจกับอะไรในโลกสงสารอยู่ถึงเก้าปีตั้งแต่พรรษาเ็ดที่เราออกปฏิบัติทีแรกจนกระทั่งถึงพรรษาที่16ออกพรรษาแล้วถึงเดือน6แรมดับคือแรม14่ค่ตรงกับวันที่15พฤษภาคม ปีพุศราช2493เอา้าพูดให้เต็มผูงโง่เต็มเป่านี้ซะเลยคืนวันดับนั้นถึงได้ตัดสินใจกันลงได้ด้วยความประจักษ์ใจหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องความเกลื่อนเกลเก็บตายเรื่องกิเลสตระห์อาสวะทุกประเภทได้ขาดประเด็นออกไปจักใจในคืนวันนั้นใจได้เปิดเผยโลกธาตุให้เห็นอย่างชัดเจนเกิดความสลดสังเวช น้ำตาร่วงตลอดทั้งคืนในคืนนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะสละ ด, ดสังเวชความเป็นมาของตนสล ด, ดสังเวชเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันวางเชื้อแห่งกองทุกข์ฝังใจไว้ให้ไปเกิดในภพนั้นชาตินี้มิแต่แบกกองทุกข์หามกองทุกข์ไม่มีเวลาปล่อยวางจนกนระช่างถึงตายไปแล้วก็แบกไปอีกแบกไปอีกคำว่าแบกก็คือใจ เข้าสู่พบใดชาติใดจะมีสุขมากน้อยทุกต้องเกลื่อนปนไปอยู่นั่นแหลจึงได้เห็นโทษเกิดความสลดสังเวชแล้วก็มาเห็นคุณค่าแห่งจิตใจซึ่งแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจิตใจจะมีคุณค่ามหัศจรรย์ถึงเพียงนั้นการไม่นอนในคืนนั้นเพราะความเห็นโทษอย่างถึงใจและความเห็นคุณอย่างถึงกิตถึงธรรมเช่นเดียวกัน